หรือเราต้องพอนช้านพนยาวบ้างแต่หมายความว่าจะเคลื่อนย้ายจะลุกกำหนดจะจะกลับอะไรก็กำหนดได้ผมว่าจะคิดสําหรับเด็กเนะี่ยเราจะไปเอาเขาเหมือนผู้ใหญ่ไม่ได้แล้วเด็กกลับนอกลับหน อ, ก ล, หนอกลับหนอได้อย่าให้มันขาดสติเดี๋ยวจะไปเอาเด็กเข้าไม่ได้ห้ามดุเด็ก ยเด็กๆมันหนีหมดกลับหนอกลับหนอเข้าใจไหมง่าแต่ผู้ใหญ่ไม่ควรกลาบหนอเข้าใจไหมถ้าเด็กๆแค่มากลับหนอก่อนนั่งหนอกลับหนอไอ้จนเจ็ตคืออยากหนออยากหยิบหนออยากหยิบหนอถ้าคนที่ฟุง้งซ่านมาก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 จะเหมือนการทุกอย่างไม่ได้มาทีมีมีไม่เห็นไอ้นอนเห็นเห็นเขาเห็นคาแล็บเห็นยิงห้อยเห็นใส่ฉายบางคนไม่เห็นบางคนก็อยากจะเห็นบ้างบางเห็นเห็นไปพระบุญบาตรลอยมาแต่บางคนก็อยากจะเห็นเห็นชานี่นั่งไม่ได้พลเลยไม่ได้เห็นไม่ใช่อย่างนั้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 แต่มาเนจนในทีมเนี่ยแบบนักเรียนเนี่ยก็เอาโอ้โลมปฏิรวมนะอย่าไปเอาให้มันหนักจนเกินไปสาหรับเด็กเราต้องหานโยบายที่มันเหมาะสมควรจะล่าเลยมันเทิงนใจด็การปฏิบัติของเขาอย่างไรเพราะเด็กเนี่ยมันชอบสามประการเท่านั้นเด็กชอบแรงจันแร์รักริกอนฮะ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 แล้วก็บอกพว้คนแกนไปเชิดสวดกันสวนอิจทไีย์โสภกวาก็ได้แต่ไม่ต้องเอเงินมากกราคนนะสตังค์สตงังค์งได้ไหมเนะีได้ไหมอย่าเอามากบอกเขายังไม่ต้องมากถาวายที่หลวงแค่สตังค์เดียวแต่ในหลวงทรงงานหนักเหลือเกินคิดถึงตรงนี้เมื่อกี้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 กต่ตังเรียพอออกได้ไหมนะ อ, อย่าออกมากนะแต่าขายอยากรวยทำยังไงอยากรวยทำยงไงอยากรวยทำอยงางไรนะจะศูนย์เราก็ช่วยกัน ในวันนี้ก็เด็กแล้วนะก็ขอนมูธนาสาธุ ก, การแก่ท่านหลาหลายตัมมาก็กลับมาจากบ้านมีก็มาก็เจอแขกก็เข้าโบสถ์ออกมาตั้งเขียนบทหน้าเดี๋ยววันที่เจ็ดบทสิบแปดองค์บทสิบแปดองค์ต้องเขียนเองเขียนเสร็จแล้วก็มาเนี่ยเดี๋ยวกลับไปต้องไปโทรศัพท์ทางไกล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 จะจำแม่นตอนตอนที่เราทำได้เองทำได้เองนี่มันฝังใจเลยนะฝังหัวใจมันจะขยายความได้ง่ายแต่เราทำได้เลาจะขยายความน่ายจะพูดเขาเข้าใจง่ายดิแต่เราขยายความไม่ได้เพราะาเราจำในหลักธรรมที่เราทำไม่ได้เราทำได้ตอนที่เขาสั่งมาหรือเขาบอกมามันขยายความยากรายงานปฏิจจตังเวตาโพวิยูหิเรารู้ได้จากพาะตัวเอง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 ขอโมทนาสาธุการฝากไว้ทุกท่านเป็นผลงานประจําชีวิตเป็นข้อคิดของเราเรามีสถติปัญญามันจะแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ต้องไปพึ่งใครเลยม่ตัวไปพึ่งใครมันจะออกไหลออกมาเองจะมีปัญหาถิงใดที่จะแก้เราจะได้แก้แด้ศูนย์เวรุวันของเราก็มีชื่อเสียงโด่งดังใจเสียชื่อเสียเสียงเสียทรัพย์สมบัติ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 ขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนาสุขาภร ะ, ะปฏิพานศาสนาสารทุบัติเนื้คืนจิตหนึ่งปฏอการได้สมความมุ่ง ม, มา่ปัฒนาด้วยการทุกลูกทุกงนามนาโอกาสบัดนี้เทินความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์สุนดนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวโชวติปริยันโนผู้ปฏิบัติธรรมตรงเน้นตรงนี้ ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นปัจจิตังใครจะทําให้ใครไม่ได่ใครจะช่วยใครก็ไม่ได่แต่การที่จะช่วยเหลือกันนั้นโดย ก, การให้การยืมการสงเคราะห์การนุเคราะห์สามารถทําได้ทุกอย่าง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 แต่เราเมีเจีาสายก็จะช่วยกันอย่างนี้นด่าเดียบร้อนเป็นจะไม่ทิ้งงานทิ้งการมีความจริงใจจบแต่ท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมไม่มียข้ออนที่ท่านจะคิดหรือไม่ความบริสุทธิ์ทำให้ใครไม่ได้การที่ยำมีสติคือทำให้ศีลบริสุทธ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 พ่อแม่ก็ช่วยเราได้เห็นเดี๋ยวจะเลื่อนพรกล่าวไว้เบื้องต้นแล้วว่าเราเนี่ยคลอดมันจะคับพาของมารดาแล้วก็ต้องช่วยตัวเองตลอดมาจนมาเห็นดินฟ้ากาบไม่มีคนอื่นช่วยเราเลยหกหัวหกหางคลอดจะคับพาของมารดาแล้วก็ช่วยตัวเองมาตลอดเราจะเห็นลูกไก่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 ่าสติเมื่อแตกด้ไม่รู้จะไปหากินยังไงจะมาใช้หนีคนได้ดินลนจนแจ้งไปเลยํำว่าดินลนต้องถอนต้องถอนถอยหลังออกอย่าดินลนถ้าดินลนแจ้งทุรารคนที่เป็นหนี้เขาถ้าดินลนไปดินลนลนลนไปลนไ ป, ไปหาเงินมาใช้หนี้วิ่งแจ้งเลยยกตัวอย่างให้เห็น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 ืิ้พาท้อออกคลอดมาทางไหนต้องช่วยตัวเองทั้งนั้นพอเวลาแม่เบ่งเวลาเบ่งเบ่งอืดๆมันเนี่ยลูกต้องช่วยตัวเองถ้าไม่ช่วยตัวเองออกไม่ได้ออกไม่ยา้หรือเหมือนลูกไกย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 ไม่ใช่สาจตรีจตัต ว, วาเป็นสายเอกหรือวิชาเอกทางพระศาสนาเป็นวิชาเอกเลยวิชาที่ช่วยตัวเองได้ชัดเจนยัพยืดตัวเองได้สอนตัวเองคือติตสัมพัญธ์ยะเป็นการสอนตัวเองได้ชัดแจ้งแต่ทำไมไม่เอากันจะขอฝากท่านทั้งหลายไปด้วยแต่มีเด็กเข้าวัดเด็กช่างพันมาก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 มันมีรักพลานตัวกัางเลยเท่ากันได้หมดทุกคนหลับกันได้หมดทุกคนมาต้องดิ้นโนที่หนมีแต่เมตตาอย่างเดียวทำอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดมาอยากหน้าอยาดีอะไรของใครแล้วสันโดดมากน้อยก็จะเกิดขึ้นความรักอันซึ้งว่าความผูกพันในความดุสีธรรมะก็จะซึ้งแล้วก็ผูกได้แน่นหนานคือสมัมมาคี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 ชายจริงคือปาจิตกุมารหญิงแท้คือออราพินเทวีนั่นคือพระพุทธเจา้าไปเลือกคู่ที่ไหนก็ไม่ชอบต้องชอบเป็คนนี้ถึงจะรักแท้แน่ชนช่วงหมหวหน้าหนุหัวใจก็ต้องชอบคนนใจเดียวเด็ดเดียวหัวใจเดียวเดี๋ยวนี้มันหัวใจหลายหัวใจแล้วคนเราเนี่ย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 ได้รับพร อ, อันนี้ไปเน้นเด็กหน่อยเวลามาไหว้ไหว้พ่อแม่สา ม, มให้ได้เวลาไปโรงเรียนไหว้พ่อแม่สามโหรจะเป็นระดับอนุบาลนิชันปถมมันยมระดับวิลัรยรก็ต้องลาละอวุโศพันเตก็ต้องลาใครเป็นคนบวชบวชพระแนะวบุรุชาจะต้องจดเวลาไว้เย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 คนที่สวดพังเมกตาแล้วก็อ่อนน้อมคนที่มีธรรมะจะอ่อนน้อมถ่อมตนคนที่ไม่มีธรรมะประจำใจจักกระด้างค้างแข็งพูดจาเลี้ยวแหลกแตกลานพูดเฉพาะพูดเท็จสอเสียดคำหยาบเพื่อเจอตลอดไม่มีการพูดจริงเลยและมีความจริงใจต่อกันแลวก็บอกเด็กเขาให้ลูไปลามาไหว้พยายามสอนมรารยาทและวัฒนธรรมให้ดั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 ต้องสอนว่าเพลงนี้ด้วยวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องของเธอเนี่ยแล้วบางทีผู้ใหญ่เนี่ยเดินเต้นข้ามหัวไปเข้ามาถูกเลยถูกไหมเอาเด็กมาเต้นตรงนี้แล้วเนี่ยถึงแค่ผู้ใหญ่มาบ้านเราเนี่ยเอาลูกร้านมาเต้นเนี่ยเราจะโดนหัวผู้ใหญ่ถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกเลย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 ตามที่เพื่อเขามีเมียนมีเมียน้อยมีหลวงเพื่อเข้าออมาช่องสองจะได้นั่งเพื่อมีเลี้ยขาเลียขาอะไรมาเกอะตามจะได้นั่งแต่ขอที่ศูนย์ทำอย่างนี้ดิเราไปเชิญผู้ ก, กาคคจังหวัดมาไม่มีที่น่ะ ไปนั่งอาเแล้วพวกเรานั่งอาเแล้วแล้วทำอะไรวะชิเชิญเชิญน้อยใจเลยให้โกรกันหน่งเดียวดีกว่านี่นี่พวกคุณยนั่งตรงนี้นะโกรกันหน่งเดียวถ้านั่งแล้วโกรธสองหนตอนไล่เนี่งเสียหน้าไหมเสียหน้าไหมสองรายการก็คือเจ้าเมือง เขาก็ไม่เต็มใจจะนั่งไปไล่คนที่ชอบกันให้ลุกที่ขอนแกนมีบ้างเคยเห็นแต่ไม่ใช่คงคงไม่ใช่ศี่ศูนย์นะที่บ้านจะบ้านอาจารย์รัติกรเนีย่ยตรงที่ถือนะถือเอามาต่างไหนคันสอนเอามาจาับสมุจาก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 มีกินช้าอาที่ถ่ายสะดวกนี่จึงของร้อนนอนในมุ่งทุงในส่วนเชียมยังท้าเยืนลูกดึงรับนึงคันรับคุณครับบัญชาแต่แบบยังท้าหน้าแต่ผู้อญาเป็นผู้หน้าว่าไมนิ่งอยู่ด่าเธอใจมั้ยคะ